บุกท <Book> <56 S 3> ูห้าสิบหกยาพยารุความรู้สึกภาวาลุมีความรู้สึกต้องการอยากน่ากูกขาว่าอะไเนี่ยในปิ่นชุดะเรามีความรู้สึกเราต้องการ เราอยากมากูกคาวาแลเนี่ยในปินชุดะเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากมากูกคาวาลเนี่ยในปินชกรบโอทะกลัวเบยียมเวีุตดิฉันกลัวนากุเบยียมเวสตันดี ดิฉันไม่กลัวน้ากูเบื่อจะไปเลดูมีเวลาสามายมวุ่นดุเขามีเวลาอายันกี้สามายมวุดีเขาไม่มีเวลาอายันกี้สามายมเลดูเบื่อ วิสุกกะวันดูตาเธอเบื่ออาเมากี้วิสุกกะวันดีเธอไม่เบื่ออามากีวิสุกกเลดูหิวอาิวยูตคุณหิวไหมมีกูอาลิเวสตดคุณไม่หิวหรือ มีกูอาคลิปเองเลยดกระหายน้ํดาห์มไปยู่ทพวกเขากระหายน้ำวาลกี้ด่าหงก์วุ่นดีพวกเขาไม่กระหายน้ำวาลกี้ด่าหงก์เลยดู